ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีปรทุมกำลังนำเสนอสัมมาทิฏฐิสูตรก็สื่อต่อกันมาเป็นธรรมเทศนาที่พระสารีบุตรเถระได้ตอบคำถามของภิกษุ วันพะสูตรจึงได้ขยายประเด็นออกไปตามกรอบของคำถามที่มีการถามขึ้นแล้วก็มีประเด็นที่เชื่อมโยงกันจากข้อความนั้นๆซึ่งตามปกติแล้วในพะสตรทั้งหลายเนี่ยจะไม่ให้รายละเอียดมากแต่ว่าพะสตรนี้ให้รายละเอียดมากจนขนาดว่าสับแต่ละสับ ที่ยกขึ้นมาที่ท่านเรียกว่าวาระเช่นอวิชาวาระยานวาระสังขารวาระอะไรเนี่ยมาความว่าอธิบายคำเหล่านั้นต่อไปอีกช่วงหนึ่งประการต่อไปก็พูดถึงไัยภายในอาหารสีอ่านาสีประการดังที่กล่าวมาแล้วว่า อาหารประเภทที่เราดื่มเราลิ้มเราชิมเข้าไปทางปากบาลีเรียกว่ากาวลิงกาอาหารหรือกาบาลีกาาอาหารแล้วก็อาหารที่เราได้สัมผัสระหว่างอายตนาภายในภายนอกวิญญาณรวมกันเป็นสัมผัสแล้ว่าการกระทบ ก็หมายความว่ากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองแล้วก็บิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณวิญญาณนั้นท่านนับตั้งแต่โนอนมาเลยคือปฏิสนที่วิญญาณพจุติปัพบก็ไปถือประิทุกประสระสมที่ปุ๊บก็ถือว่าเป็นอาหารเพราะนำไปสู่นามารูปคือนาผลมาให้ แล้มโนสันเจตนาอาหารคือเจตจำนงความมุ่งมั่นจนบางคราวก็เป็นความยึดมั่นหรือมั่นในสิ่งเหล่านั้นก็นับตั้งแต่ไปสุนทีมาเช่นเดียวกันท่านอธิบายไว้ว่าอารตั้งสี่ประการนั้นเป็นไผยกอริ่งการอาหารอาหารที่เราดื่มเราลิ้มเราชิมเข้าไปเนะี่ย เป็นภัยคือความอยากคนก็พยายามที่จะต อ, ตอบสนองความต้องการเขาเรียกว่าปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องนั้นก็เรียกว่าตั้งแต่เกิดจนตายแล้วมีความอยากคืออิ่มแล้วก็หิวหิวแล้วก็อิ่มอิมแล้วก็หิวหมุน ว, วนกันอยู่อย่างนี้จากเกิดถึงตายไปเลยนั่นก็แสดงว่า ก่อนที่จะได้รับประทานเข้าไปก็ต้องผ่านกับมวิธีขั้นตอนเป็นอันมากต้องลงทุนทำงานเหนื่อยยากลาบากด้วยประการต่างต่างเพื่อการครองชีพอย่างชีวิตการครองเรือนของชาวบ้านนั้นเป็นการครองเรือนที่มีคนซึ่งตนเองต้องรับผิดชอบอีกมากบนการหาอาหารก็ต้องเพิ่มขึ้น เพราะมีปากมีปากที่จะต้องเลี้ยงดูมากยิ่งขึ้นบางคราวก็มีมาแต่ไม่ไ ม, ไม่ไม่พอต่อการบริโภคภายในครอบครัวก็เดือดร้อนทีนี้ีนี้ผัดซาอาหารนั้นมันเป็นภัยในการที่เรียกว่าคือเราสัมผัสและเรายึดติด ยึดติดในรูปยึดติดในเสียงยึดติดในกลิ่นยึดติดในรสยึดติดในสัมผัสยึดติดอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นแล้วก็ยึดติดมัก็ไหลไหลไปตามกระแสการกําหนดอารมณ์ของเราก็ค่อยค้ๆไปเรื่อยๆรูปก็มีความหลากหลายเสียงก็มีความหลากหลายกลิ่นก็มีความหลากหลายรสก็มีความหลากหลาย เย็นร้อนนองแข็งก็มีความหลากหลายตลอดถึงทมอารมณ์ก็ปรุงกันจนหลากหลายวงเมทย์ไหลไปตามกระแสของตัณหานั่นเองที่ส่งแสดงว่าวโนพิวิกาคือก่อให้เกิดความมีความเป็นที่ต่อเนื่องไปและจิตใจจะกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินในอารมณ์เหล่านั้น ก็อยู่ช่วงสั้นหรือช่วงยาวแต่ว่าถึงจุดหนึ่งก็เบื่อนะแล้วก็คว้าในส่วนอื่นต่อไปเพราะหน้าไดก็ตามที่บุคคลไปยึดมัน่นถือมันเอาไว้มันไม่มีโทษไม่มีหรอกเพียงแต่ว่ามีโทษมากหรือมีโทษน้อยมีความจำเป็นมากหรือว่าความจาเป็นน้อยผู้นี้จึงทรงสอนในรูปของการใช้ปัญญาพินิจพิจารณา แน่นอนชีวิตนั้นจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะอาหารแต่ว่าถา้าตามถ้าตามใจปากมากเกินไปอยากรับประทานนั้นอยากรับประทานนี้อยากสัมผัสนั้นสัมผัสนี้สัมผัสโน้นมันก็หาข้อจบสิ้นไม่ได้อย่างกระแสที่มีการตื่นฝนขนมขลังกวนกอนกอนั่งรถผ่าน เพื่อจะไปเทศที่วัดสะระทุมเห็นคนเดินยืนเข้าแถวในเป็นแถวในถามมาเข้ามาทำอะไรกันปรากฏว่ามาเข้าคิวเพื่อซื้อขนมขลังแต่ว่า ก, ก่อนหน้านั้นน่ก่อนหน้านั้นประมาณสองวันแต่ว่าคนก็ซื้อถวาย ไปรับนิมนต์ในเทียงหนึ่งคนก็ซื้อเสานี้ไปถวายก็นึกว่าพระจะตื่นเดี๋ยวเขาด้วยเลยก็ชิมดูหน่อยมันหวานเกินกำลังไปก็เลยไม่ใส่ใจที่จะที่จะฉันต่อไปนะฮะนอกจากว่ามันมีความจําเป็นคือไม่มีอาหารื่นจะฉันมาก็ฉันได้แต่ว่าจใจอยากจะฉันนี่คงไม่อยากหรอก คือมันมีส่วนคุณก็มีแต่ว่าส่วนโทษก็มีประวาตมากก็รู้กันอยู่ว่ามันไม่ดีมันมีปัญหาที่เกี่ยวกับบระวาตทีนี้มโนสัญเจตนาหารเนี่ยได้แก่ภัยคือการประมวลมาคิดโน้นคิดนี้ประมวลมาเยอะยะไปหมดเลยไปอดีตไปอนาคตปัจจุบันหมุนวนกันไปก็สะสมกันไปในสู่ภายในใจก็ เป็นคนที่ตัดสินใจยากเพราะก็จริงไม่รู้จะเอาอะไรกันแน่ น, นั้นก็ดี น, นั้นก็ดี น, นั้นก็ดีแล้วก็วิญญาณอาหารเนี่ยท่านบอกว่าเป็นภัยคือตกลงตกลงว่าจะไปเกิดที่นั้นจะไปเกิดที่นี่จะไปเกิดที่โน้นแต่ก็ต้องอย่าลืมว่ามันเต็นไปตามกรรมของคน คนในตั้งความปรารถนาเลือกสถานที่เกิดได้เนี่ยปริมาณของบุญต้องมากพออย่างเช่นคนระดับพระรยาบุคคลเนี่ยแน่นอนท่านก็เลือกได้แต่บางท่านก็ถูกบังคับนะะพระนาคามีเนี่ยต้องไปที่สุดถวาวรพระโสดาบันพระสกทาคามีเนี่ยก็เรียกว่าสวรรค์ชั้นฉะกามาภจรภูมิ สิสวรรค์หกชั้นก็ทางก็เลือกได้แต่ว่าถ้าคนมีบุญไม่มากพอเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเลือกซื้อเสื้อผ้านั่นแหละคือเสื้อผ้าดียังไงก็ได้ถ้าคุณมีตังค์ซื้อการบังเกิดในกําเนิดต่างๆมันก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะนเมื่อมุ่งหมายมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อไปบังเกิดในสถานที่นั้นก็สั่งต้องสั่งสมบุญ เพื่อบังเกิดในสถานที่นั้นให้มากอย่างนี้เราต้องการให้แน่ใจอย่างก็ต้องเป็นพร ะ, ะบุคคลหรืออย่างน้อยก็ได้ฌานได้ฌานสักข้อหนึ่งมันก็หวังได้ว่าไปบังเกิดในพรหมโลกได้แล้วแต่ว่าฌานต้องไม่เสื่อมนะก่อนจะตายแล้วก็ตั้งปัญหาขึ้นมาว่าเพราะเหตุอะไรเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายสร้างภัยคือความใคร่ใน อาหารที่ต้องกินต้องดื่มต้องลิ้มต้องชิมต้องรับประทานเข้าไปเพื่อต่อสู้กับความหนาวเป็นต้นทำการงานมีการนับด้วยหัวแม่มือเป็นต้นเพื่อต้องการอาหารย่อปรสุบทุก์ไม่ใช่น้อยคนบางจำพวก ถึงจะบวชในพระศาสนานี้ก็สแสวงหารโดยการสแสวงหาที่ไม่สมควรถึงแม้แต่พระเรานักบวชเราเนี่ยบางทีก็สแสวงหาอาหารเพื่อมาขบฉันเนี่ยในทางที่ไม่สมควรเรเรียกว่าอนเนเชนนาคือไปเป็นการประพฤติไม่เหมาะไม่ควรแก่ฐานะของส ม, มณะหรือว่าตั้งตัวเป็นหมอรักษาโรคอะไรต่างๆ เปาเสกเลขยันก็ที่นิยมกันมากในปัจจุบันเนี่ยก็มีมีคนถามปัญหาเรื่องนี้บ่อยก็บอกว่ามันเป็นเรื่องฉั้นใดฉันนั้นนะ่ะนะคือหมายความว่าถ้าสังคมมีลักษณะอย่างนี้อยู่ความต้องการของสังคมอย่างเป็นอย่างนี้อยู่ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีการตรอบสนอง ถ้าหากว่าไม่มีการตอบสนองคนก็ต้องดิ้นรนขวนขวายจนได้นั่นแหละในโอกาสที่จะถกต้มถูกหลอกถูกลวงมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายอันนี้เป็นเรื่องของ เ, อเสนอสนองนะฮะคือมีการเสนอเมื่อมีการสนองตราบใจที่เรายังไม่ไดพญญพ้พัฒนาสติปัญญาของมนุษย์ขึ้นไป จนสามารถวินิจฉัยตัดสินสิ่งทั้งหลายได้โดยลำพังตัวเองถ้าถึงวันนั้นก็เรียกว่าไม่มีปัญหาอะไรเราก็สิ่งเหล่านี้เมื่อการสนองมันมันก็จะหายไปเองเมื่อเสนอแล้วไม่มีคนตอบสนอง ก, การแสวงหาของคนก็ต้องหยุดถ้าไม่หยุดก็ลบจม ประการต่อไปท่านก็บอกว่าต้องเป็นผู้ถูกครหาคนที่สะเวหาในทางอย่างนี้มันต้องถูกครหานินทาด้วยประการต่างๆแล้วก็ที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือตายไปเป็นเปรตเกิดเป็นเปรตในชาติต่อไปท่านเรียกว่าในสัมปรายพกแล้วก็เรียกว่าส ม, มณะเปรตก็ความเหล่านี้ปรากฏในลักษณะสังยุทธนะ์ ลักษณสังยุติสังยุติตณิกายเนี่ยเยอะมากเป็นเรื่องที่ของพระลักษณะเทระกับพระมาหาโมคคลานะเทระเดินลงมาจากภูเขาคิตจกุพระโมคคลานะท่านใช้ทิปจักสุชายมาด้วยนะฮะใช้ทิปจักสุด้วยก็เห็นเปรตประเภทต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยรูปร่างก็แตกต่างกัน ท่านก็กระทาการแยม้มหรือไม่ถึงก็ยิ้มหรอกพระราหารันท่านบอกว่าท่านไม่ยิ้มแต่ว่าแยม้มพระลักษณะที่จริงเป็นพระราหารันผู้อยู่ในกลุ่มของท่านปุราณกัสปะก็บวชก่อนพระโมคคลลานะแต่ท่านไม่ได้ใช้ที่ประจักสูงลงมาก็ใช้ตาธรรมดาตาเนื้อธรรมดาเดินลงมาก็ไม่เห็นพวกเปรตเหล่านั้น เมื่อประหมาโมคลานะท่านทำการแย้มให้ปรากฏเช่นนั้นพระลักษณะก็ถามว่าท่านแย้มพระเหอุอะไรพระโมคขาลานาบอกค่อยถามที่สานักพระพุทธเจ้าเถอะแล้วผมจะเรียนถวายให้ทราบกไปถึงสานักพระพุทธเจ้าพระลักขณะก็รือ้อเรื่องต่านี้ขึ้นมาถามพระโมคขาลานาก็เล่าให้ฟัง พระพุทธเจ้าก็รับประกันขอเป็นพยานให้ว่าผู้เปรตที่ว่าทั้งหมดเนี่ยวันที่พระองค์สัตรูเนี่ยพระองค์ก็เห็นแต่ว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้พระองค์ก็ไม่เคยเทศสอนเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องที่พูดแล้วเนี่ยคนไม่สามารถเข้าใจได้ เม่เข้าใจไม่ได้ก็จะไปกล่าวตีเตียนตําหนิพระพุทธเจ้าในทํานองว่าพูดไม่จริงโกหกยกเมฆอะไรแต่ะะไหนมันบาปกรรมบาปกรรมแก่นคนเหล่านั้นแต่ทีนี้พอพระโมคคัลลานาพูดขึ้นถ้าไม่มีใครช่วยรับประกันให้พระโมคคัลลานาก็อาจจะถูกตำหนิติเตียนในลักษณะ น, นั้นเหมือนกันพราะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้ารับรองให้ว่าเป็นสิ่งที่พระองค์เคยพบเห็นมาแล้วด้วยพระองค์เอง ตอนที่ประทัะบเสวยมิมุติสุขอยู่เจ็ดสัปดาห์นะคพราะพระองค์ก็เห็นพวกเปรตเหล่านี้ในก็แสดงใ้เห็นว่าสิ่งเป็นนันมากเนี่ยก็ส่วนใหญ่คือสรุป ร, ปรวมว่าส่วนใหญ่แล้วมันไม่มีคุณโดยส่วนเดียวหรือว่ามีทอดโดยส่วนเดียวในเรื่องเหล่านี้จึงสอนในในลักษณะระมัดระวังหรือพิจารณา แต่ใช้ปัญญาก็ได้ใช้สติก็ได้ระลึกรู้เท่าทันถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ตัดสินใจว่าควรปฏิบัติอย่างไรจรึงจะเป็นการถูกต้องปฏิบัติอย่างไรเดียวไม่ถูกต้องมาความมาประโยชน์ที่พึงได้จากปัจจัยสี่ก็ได้แต่ไม่ใช่ทําด้วยอาการของกิเลสเพราะอย่าลืมมาแต่ละอย่างเนี่ยมันกระตุ้นกิเลสทั้งนั้น แต่ถ้าเรามีสติปัญญาเข้ากำกับพินิษพิจารณาตรวจสอบดูก็สำเร็จประโยชน์คอย่างรับประทานอาหารให้ลองสังเกตว่าการรับประทานอาหารเนี่ยถ้าเราคิดแบบพระพุทธเจ้าท่านสอนสอนใหพิจารณาในตังคณิกะปัจจเวคขณะเกรียนว่าการรับประทานอาหารนี้ไม่ใช่เล่นเพื่อสนุกไม่ใช่เพื่อความเ ด, ดอรร่อยเพื่ออ้วนเพื่อพีเพื่ออะไรต่ออะไร แต่ว่ารับประทานเพื่อหวังว่าจะบรรเทาความหิวเก่าป้องกันความหิวใหม่ให้ร่างกายมีกำลังมีเรี่ยวแรงในการปฏิบัติภารกิจการงานได้ท่นัรับประทานอะไรก็ตามที่มันสําเร็จประโยชน์อย่างนั้นได้ก็รับประทานลงไปไม่ได้ติดใจในรายละเอียดว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างโน้ น, นองค์ยึงท่งสอนพวกนี้ไปเรื่อยไปจนถึง เขาเรียกว่าอาหารเรปฏิกูลสัญญาพยายามมองให้เห็นความปฏิกูลน่าเกลียดน่าขยะแขยงของพวกอาหารทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกวรวลิงกราหารเนี่ยแต่อย่าลืมมันทั้งหมดเป็นสัมผัสด้วยกันเป็นสัมผัสด้วยการทางทางใจโดยกันนั่นแหละแต่เพียงเพียงแต่ว่ามันมันเป็นหน้าที่ในช่วงไหนเท่านั้นเองประการต่อไปก็คือ ชนทั้งหลายผู้มีความยินดีในภัสสะแต่เมื่อถูกภัสสะก็จะก็จะทำผิดในสิ่งของทั้งหลายมีเมียเป็นต้นของคนอื่นที่เขารักษาคุ้มครองอันนี้แสดงว่าพอใจในภัสสะที่การอยู่ข้องผูกพันกันนะจะับไม้จับมือถือแขนกันอะไรเนี้ยแล้วก็ในที่สุดก็จะ ไม่สามารถควบคุมบัญญาบัญญัติได้แล้วก็เลยเถิดไปจนถึงละเมิดในพันยาหรือสามีของคนอื่นบาปกรรมติดตามมานี่มันไม่คุ้มอะไรเลยนะฮะเพราะว่าพวกนี้เรียกว่ามีอบายโดยส่วนเดียวคือต้องตกนรกโดยส่วนเดียวผู้ผิดศีลห้าข้อนี่นะจะตกนรกโดยส่วนเดียว แล้วก็หรือว่าสิ่งของที่จะจับเขาพร้อมด้วยของกลางฟันให้ขาดเป็นท่อนอันนี้หมายความว่าไปยุ่งเกี่ยวแล้วเจ้าของก็เห็นนะฮะเจ้าของก็เห็นจะเป็นทรัพย์ก็ได้จะเป็นคู่ครองก็ได้ก็อาจะถูกฆ่าตายย่งมีข่าวคราวให้ได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆว่ามีการวิสามันฆาตกรรมอะไรอไรต่างๆที่เกี่ยวกับทรัพย์นี่แหละ เกี่ยวก็ทรัพย์หรือว่าบางทีก็บันดาลโทษะจนถึงก็ฆ่ากันตายหรือว่าประชาชจะจสั่งให้ลงโทษทีนี้ที่สำคัญอย่างยิ่งก็เมื่อตายจากไปเนี่ยจะบังเกิดในทุกขติวินิบาตนรกอสุรกายการมที่มีความยินดีในผัสสะเป็นปัจจัยจึงเป็นเหตุให้ ประสบภัยทั้งในปัจจุบันและก็สัมปราญภพทีเดียวเพราะเหตุในการคล้องแวะในผัดสาหารก็พึงทราบว่าเป็นภัยโดยนัยดังกล่าวแต่การประมวลมาซึ่งกุศลและอกุศลนั่นเองภัยในพบสามที่มีการประมวลมาในมโนสัญเจตนาหารนั่นเอง เพงทราบว่าก็เป็นภยัยหมายความว่าอาหารทั้งสี่ชนิดเนี่ยถ้าเกินดีไปแล้วเนี่ยเป็นภัยทั้งนั้นตอนหลักที่เรียกว่าพอดีพอประมาณพอควรพอใจหรือว่าเราพูดถึงว่าทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เนี่ยเราลองสังเกตว่าวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นเนี่ยมันอยู่ที่พอดีันั้น พูดไปพูดมาก็พอดีจะเติมน้ำมันก็พอดีนั่นก็ต้องพอดีวิ่งความทำความเร็วก็ต้องพอดีคือจะต้องมีพอดีปรับเอาไว้ในทุกๆ ก, กรณีแต่ในจำพวกอาหารทั้งสี่เหล่านี้ที่เป็นภัยอย่างนี้เพื่อจะให้คลายความคร้ในอาหารที่ที่เป็นคาเป็นเป็นน้ำเป็นอะไรเนี่ยนะพระเจ้าได้ทรงแสดงการเปรียบเทียบโดยเนื้อบุร โดยให้ถืออธ่ว่าภิกษุทั้งหลายเหมือนอย่างว่าสามีปัญญาสองคนแล้วก็เพื่อคลายความเครีในผัสสะอาหารก็ได้ทรงแสดงการเปรียบเทียบด้วยแม่โคที่ถูกทลกหนังว่าภิกษุทั้งหลายเหมือนอย่างว่าแม่โคที่เขาทลกหนังหรือเพื่อคลายความใครีในมโนสัญเจตนาอาหารได้ทรงแสดงเปรียบเทียบด้วยหลุมฐานเพลิง อันนี้ก็เรียกว่าพวกโทษของกาลมา น, นะฮะโทษของกามทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเหมือนอย่างว่ามีหลุมฐานเพลิงแข่งหนึ่งหรือเพื่อคลายความไข้ในวิญญาณอาหารก็ได้ส่งแสดงการเปรียบเทียบโดยแท่งด้วยการแทงด้วยหอกสามร้อยเล่มโดยในยะว่าภิกษุทั้งหลายเหมือนอย่างว่าพวกเจ้าหน้าที่จับโจรผู้ทำผิดได้แล้ว แล้วก็ไปลงโทษโดยวิธีแรงๆตามคำสั่งของทางบ้านเมืองคือตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ต่างกำหนดเอาไว้เนี่ยทีนี้การกินเนื้อของบุตรเนี่ยเราจะเห็นว่าก็คงเน้นอาหารที่มันเป็นเนื้อสัตว์นะท่นเล่าโ ด, โดยใจความข้อความก็ยาวนะว่า สามีพันยาพร้อมด้วยลูกเล็กๆก็พอเดินได้พอรู้เรียงสาพอพูดรู้เรื่องไงนะ <c oughs> ก็เดินทางรอนแรมไปบนเส้นทางขาดอาหารขาดสเสบียงจนหมดแรงที่จะเดินสามีก็ขอสละชีวิตตัวเองเนี่ยให้เป็นอาหารของพันยาก็บอกให้พันยาเนี่ฆ่าฆ่าตัวเองแล้วก็ รับประทานเป็นอาหารได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ทำให้เป็นสบียงเพื่อจะนำลูกออกไปในอยากทะเลสายปัญญาก็ไม่อยอมแต่ว่าขอสลาดชีวิตตัวเองนี่แหละให้สามีให้สามีข้าแล้วก็ปรุงเป็นอาหารรับประทานแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ทาเป็นสเบียงเพื่อเดินผ่านทะเลสายให้ได้พอมาถึงลูกลูกก็เรียกร้องเช่นนั้น คือให้ฆ่าลูกสามีก็โยนให้พัญญาพัญญาก็โยนให้สามีในสุดมันเขาใครก็ไม่กล้าฆ่าจนในสุดก็บุตรตายสองคนก็ยังไม่กล้ากินนั่นแหลนะแต่ในที่สุดก็เพื่อจะรักษาชีวิตเอาไว้ให้ได้ก็ได้กินเนื้อของบุตร ด้วยการร้องห่มร้องไห้ไปริเวทนาการคำควนไปตลอดเส้นทางนี่ก็แสดงให้เห็นว่าการที่เราต้องรับประทานอาหารขนาดนั้นแน่นแล้วก็สาหัสจริงๆอย่างที่เคยมีข่าวถึงฝรั่งที่ไปเรือไปแตกแล้วก็เกาะท่อนไม้แล้วก็กินกันเองเวลาเพื่อนตายนะกินกันเอง ก, กว่าจะผ่านพน้นอันตรายไปได้ก็กินเพื่อนเจอหลายคนน่ยสองสามคนหรืออะไรนี่ น, ะนี่ก็ให้พิจารณาอาหารเนี่ยเป็นของปฏิกูลแบบจำเป็นต้องกินเพื่อประทังหิวประทังชีวิตรักษาชีวิตไว้ให้ได้เหมือนกับมารดาบิดากินเนื้อบุตรนะกินเนื้อบุของตอนเองแล้วก็จากนั้นก็ สอนใหพิจารณาเพราะว่าใช้ประโยชน์จังหันให้ได้มากกว่านั้นพิจารณาในความปฏิกูลของอาหารที่เรารับประทานเข้าไปให้ลองสังเกตว่าพวกอาหารเรปฏิกูลสัญญาเนี่ยคือการมองอาหารในแง่ปฏิกูลเนี่ยคือบางทีถ้าเราพิจารณามากๆแล้วก็เรียกว่ากินไม่ได้เลย นะมันจะคลื่น้า้มันจะอาจเจียนก็เลยก็กินไม่ได้ดังนั้นอารมณ์กรรมาฐานเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็สอนสำหรับคนที่ไปยึดติดในพวกผัสสะในพวกวิญญาณในพวกอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าจิตใจท่านกระด้างแข็งกล้าว ถ้าไม่พิจารณาให้รายละเอียดจริงๆท่านก็เอาไม่อยู่เหมือนกันทีนี้การปฏิกูลนั้นบอกว่าเพราะเป็นเนื้อที่เกิดจากชนตนคือเนื้อลูกกันแหละแต่ว่าลูกมันเกิดจากพ่อแม่เพราะเป็นเนื้อของญาติลูกมันก็เป็นญาติเพราะเป็นเนื้อของลูกเพราะเป็นเนื้อของลูกรักเพราะเป็นเนื้อของเด็กอ่อนเพราะเป็นเนื้อดิบ เพราะเป็นเนื้อที่ไม่ใช้กินกันแล้วก็เพราะไม่ได้ใส่เกลือแต่เราถึงไม่ได้ย่างอะ่ะคือไม่ไม่ไม่ได้ทําให้สุกด้วยไฟกินดิ บ, ดบอะ่ะกิน ด, ด, ดิบเข้าไปเพราะว่าอยู่ในทะเลทรายตัวอย่างตัวเนี้ยท่านเอาไปยกไว้ในที่ต่างๆเยอะมากโดยเฉพาะระดับกรรมฐานเนี้ยแกจะสอนในแนวนี้ไว้มากดังนั้น ภิกษุที่เห็นกวลิงกระาอาหารเปรียบด้วยเนื้อของบุตรอย่างนี้ก็จะคลายความใคร่ในอาหารที่รับประทานเข้าไปนี่ก็เป็นเป็นอธิบายโดยในยะหนึ่งทีนี้มาเปรียบด้วยแม่โคที่ถูกถลกหนังตรงนี้นก็เหมือนกันนะคือเราจะเห็นว่าสัตว์ที่ถูกถลกหนังที่วางขายในที่ต่างๆ คือถ้าเราพิจารณาให้มากแล้วมันก็กินไม่ได้เหมือนกันเนี่ยกินไม่ได้เหมือนกันมันก็รู้สึกสิอิสเอียนขยะขยะงกินเข้าไปได้ยังไงก็ไม่รู้บางทีนี่โดนเข้าไปทีหนึ่งเนี่ยรู้สึกขยะขยงอยู่ตั้งนา น, เ, นเป็นเดือนเือนเลยทีเดียวแต่เราต้องคิดนะฮะต้องคิดตามนยะกรรมฐานที่ทรงแสดงสั่งสอนเอาไว้แต่เราไม่คิดแนวนั้นมันก็มองไม่เห็น แต่ตามปกติแล้วเรากรบกรบไว้ด้วยกลิ่นนะฮะกลิ่นด้วยรสด้วยความร้อนด้วยอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยเอามาปรุงสีปรุงกลิ่นปรุงรสปรุงรูปขึ้นมาให้เป็นเรื่องที่น่ารับประทานแต่ถ้าเอามาคิดรายละเอียดแล้วก็กลืนเข้าไปยากการอธิบายว่าแม่โคนั้นเขาตลกหนังแต่คอจนถึงเล็บออกไปแล้วปล่อยทิ้งไว้ มันจะถูกสัตว์มีชีวิตกัดกินในที่อาศัยอยู่ก็จะมีแต่เรื่องทุกข์เท่านั้นถึงภาษะคือสิ่งที่มากระทบนะก็มีลักษณะอย่างนั้นอาศัยวัตถุหรืออารมณ์ใดๆสถิตอยู่จะมีแต่เรื่องทุกข์ที่ให้เสวยแล้วเท่านั้นอันเกิดจากวัตถุและอารมณ์นั้นๆ หมายความว่าตัวนี้กัอารมณ์คือรูปนะครแล้วก็ตัววัตถุนั้นก็คือรูปนั้นแหละรูปสัตว์ที่รู ป, ร, ปรูปแม่โคที่เขาชำระนั่นแหละดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงรับสั่งว่าปิกจูใดเห็นผัสสะหารเป็นเสมือนแม่โคที่เขาถลกหนังอยู่อย่างนี้ปิกษูนั้นครอบงําความใคร่ในผัสสะหารนั้นได้ นี้ก็เป็นการอธิบายตามในข้อเปรียบเทียบด้วยแม่โคที่เขาลากแต่เาตลกหนะังทีนี้เปรียบเหมือนหลุมฐานเพลิงก็ในพบทั้งสามนี่เป็นเหมือนกระหลุนฐานเพลิงคือการมาพบรูปปรพบปรูปประพบเนี่ยมองจากสายตาที่มีปัญญาสูงสุดอย่างพระพุทธเจ้าพระหันทั้งหลายเนี่ยท่านไม่ยินดีในพบอ่ะ สวรรค์ท่านก็ไม่ยินดีพระมโรคท่านก็ไม่ยินดีไม่ว่าพบอะไรก็ตามที่เรียกว่าหน้ายินดีเนี่ยไม่มีเลยนั่นคือมองจากสายตาที่ของผู้บริสุทธิ์จากกิเลสจริงจริงเด็กที่เรามองแล้วน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเนี่ยเพราะว่าเรามองด้วยการปรุงตามสัญญาของเราเนี่ยตามสัญญาของเราแล้วเราก็ไม่เคยคิดต่อนะไม่เคยคิดต่อเช่นสมมติว่าเป็นเทพประบตรตนหนึง่ง นะมีเทพธิดาอยู่หนึ่งพันองค์เป็นบริวารเนี่ยไปไหนมาไหนมีเทพธิดาหนึ่งพันองค์ห้อมล้อมเอาสัก5้าร้อยเอาไม่ต้องมากขนาดนั้นก็ได้เอาสัก5้าร้อยหนึ่งเนี่ยคือเราต้องคิดต่อไปอะพอเป็นผู้ชายคนเดียวอยู่ท่ามกลางผู้หญิงตั้งห้าร้อยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสนุกนะแต่ว่า คือเราพูดปรนเปลือกันแบบพาเร็มสมัยโบราณนะั่นหะหรือแม้แต่ของพระพุทธเจ้าเราโดยประวัติพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาบอกว่ามีสนมกำนันในหก0มื่นนะฮะห้องเต้จีนเนี่ยถือว่ามากที่สุดแล้วที่เป็นสนมกำนันในทั้งหลายนี่สามพันแล้วก็มีจำนวนเท่าไรบ้างมนาะลดหลั่นกันขึ้นมาจนถึง องใหญ่อะองใหญ่สูงสุดคือเราไม่คิดว่าถ้าอยู่อย่างนั้นจริงๆมันก็น่าอิดอัดอย่างในพระสูตรท่านได้เล่าถึงภิกษุรูปหนึ่งท่านบำเพ็ญเพียรกรรมฐานมาอย่างดีแต่ว่ายังไม่ทันบรรลุหรอกแล้วเกิดมรนาภาพมรนาภาพโดยจิตที่ผ่องใสก็ตายไปบังเกิดใน สวรรค์ชั้นดาวดึงก็ท่านก็ไม่รู้ว่าท่านท่านมรภาพแล้วก็งงว่าเอ้นี้เป็นที่ไหนทำไมเรามาอยู่ที่นี้แล้วก็พวกเทพธิดาทั้งหลายที่รออยู่ก่อนเป็นบริวารมารออยู่ก่อนออกมาต้อนรับด้วยวิธีการต่างๆ พระก็ยังหนียังถอยหนีไม่กล้าให้ผู้หญิงก็จะต้องเพยังนึกว่าตัวเองเป็นพระอยู่ดัง น, นั้นเป็นเทพบุตรแล้วนะฮะและในสุดก็พระเทศทิดาก็ให้ท่านเห็นเงาของตัวเองในกระจกเผื่เงาก็รู้ว่าท่านตายแล้วตายแล้วก็เกิดเสียดายเพศของความเป็นพระและโอกาสที่จะบรรลุมรรคผล ซึ่งยังอยู่ไม่ไกลแต่ว่าท่านต้องมาตายซะก่อนเลยก็รีบมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเจติดาเหล่านั้นก็ตามกันมาทั้งเว็แถบอ่ะแหละมาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลเล่าเรื่องทั้งหมดให้ทรงทราบแล้วขอทูลลาเพื่อเพื่อกลับไปสู่สวงสวรรค์จนกว่าจะหมดอายุนะก็ต้องอยู่อีกนานแหละอยู่บนสวรรค์ก็อยู่อีกนานแต่เรานึกดูว่า เทพบุญอยู่คนเดียวอ่ะองเดียวเทพธิด า, าเป็นพันอันนี้ก็เราก็ชอบกันอย่างเงี้ยชอบตัวเลขเยอะๆเนี่ย แ, แม้แต่ในปราศาสตรของพระพุทธเจ้าเองยังไม่เคยพบระดับบาลีน ะ, ะับพบระดับปันตรกยามีถึงหกมืนเนี่ยหกมืนปราศาทตสามหลังเนี่ยมันเล็กนะ คนอยู่หกหมื่นคนเราลองนึกดูว่าอำเภอหนึ่งบางทีมก็ไม่ถึงหกหมื่นนะจังหวัดเล็กๆหรือว่าอาจจะสองสามอำเภอหรือสองอำเภอหนึ่งอำเภอโตหน่อยก็อาจจะถึงอาจจะถึงหกหมื่นอยู่ไกลกันเหลือเกิน อ, อยู่ไกลกันเหลือเกินจะไปปะไปไปมาหาสู่กันยังไงอะไรแต่อะไรต่างๆนี่ก็ก็ดูมันเรื่องเงยุ่งๆทางนั้นแต่ว่า คนมันก็เรียกว่าตัดนาีตันหาสมานดีแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มีคือความอยากที่บังเกิดขึ้นในใจของสัตว์โลกเนี่ยไม่อาจตอบสนองได้เท่านั้นพอทันนี้พออะไรต่ออะไรพอหรือยังหรือยังไม่พออยู่นั่นแหละยังอยากได้อยู่นั่นแหละแล้วจนหาคำตอบไม่ได้ว่ามีมากๆเอาไปทำอะไรเพราะไม่รู้จะใช้ประโยชน์อะไร เจนว่าคนอุดมสมบูรณ์ไปหมดด้วยประการทางปวกนี้มีเงินมีทองขึ้นมาแล้วเอาไปใช้อะไรถ้าเขามีกฎเกณฑ์เขาให้เงินจำนวนเป็นพันพันล้านแต่ว่าให้เรากินอยู่อาศัยในฐานะปัจจัยสีเอาไปให้คนอื่นไม่ได้เอาไปบาาําเพ็ญกับสาธาณะคุศลอะไระอะไรไม่ได้ไอ้อย่างนี้ก็ไม่รู้มีทำอะไรเหมือนกัน แต่ถ้าเปิดโอกาสให้บำเพ็ญสาธารณกุศลมีเรื่องทำเยอะเงินเท่าไรก็เรียกว่าไม่พอก็อแล้วกันในโลกนี้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแก่เพื่อนร่วมโลกมันเยอะเหลือเกินแต่การเช่นนั้นมันก็พูดได้แต่พูดแต่ว่าเกิดขึ้นจริงไหมก็เกิดไม่ได้ทีนี้ในพบทั้งสามก็เมือนกระหลุถฐานเพลิงเพราะว่าร้อนระอุมาก มโนสัญเจตนาอาหารคืออาหารคือมโนสัญเจตนาความสะสมการปักใจหรือตกลงใจที่จะบังเกิดในสถานที่ใดที่หนึ่งท่านบอกว่าเหมือนกระชายสองคนที่จับแขนกระชากคนอยากมีชีวิตลงในหลุมฐานเพลิงนั้นเพราะว่า ชุดกระชากเข้าไปในภพทั้งหลายเพราะฉนั้นภิกษุใดเห็นมโนสัญเจตนาหารว่าเป็นเช่นกับหลุมฐานเพลิงอย่างนี้ภิกษุนั้นจะคลายความไข้ในมโนสัญเจตนาหารได้นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งอีกตัวอย่างหนึ่งก็เหมือนกระหอกเหมือนก็ถูกแทงด้วยหอกการถูกแทงด้วยหอกสามร้อยเล่ม พึงทราบอธิบายในเวลาเช้าชายคนนั้นเดือดร้อนเพราะถูกขอบร้อยเล่มแทงหอกนั้นก็แทงร่างของเขาให้เป็นบาดแผลลึกร้อยแห่งไม่หยุดในการต่อมาก็ถูกแทงด้วยหอกสองร้อยเล่มซ้ำอีกเมื่อเป็นเช่นนี้ร่างทั่วร่างจึงพุนไปหมด เพราะหอกหลายหลา ย, าหลายด้ามที่แทงไปเนี่ยพลาดจากที่หอกรอ้รอยด้ามรุ่นก่อนนั้นที่แทงทุกขของคนนั้นมันก็อตั้งสามร้อยแผลนะไม่ใช่เล่นนะแต่ว่าการทำความจริงอุปมาให้ดูเท่านั้นเองเพราะว่าถ้าแทงด้วยหอกตั้งสามร้อยเล่มจริงๆเนี่ยมันก็ตายตั้งแต่เล่มที่สองเล่มที่หนึ่งเล่มที่สองนั่นแหละเพราะว่า ร่างกายของมนุษย์มันก็เปราะบางไม่เด็กแข็งแรงอะไรนักหนาที่แทงแทงแล้วยืนหยัดอยู่ได้ตั้งหอกตั้งสามร้อยเล่มแล้วยังไม่ตายนี่มันก็เป็นไปไม่ได้หรอกแต่อุปมาให้เห็นปเป็นของน่ากลัวอย่างนั้นทีนี้บรรดาเหตุการณ์นั้นไปสนชิเหมือนกับเวลาที่หอกทิ่มแทงการเกิดแห่งขันเหมือนกับการเกิดบาดแรลการเกิดขึ้นแห่งทุกข์ทั้งมวลเนี่ยที่มีวัตะเป็นมูล ในขันทั้งหลายที่เกิดแล้วเป็นเหมือนการเกิดทุกขเวทนาเพราะเกิดบาดแผลทีนี้อีกอย่างหนึ่งไปสนที่วิญญาณไปสนที่วิญญาณก็คือมโนสันเจ ต, ตนาหานั่นแหละนะเหมือนชายผู้ประพฤติชั่วช้านามรูปซึ่งมีวิญญาณเป็นปัจจัยเหมือนบาดแผลที่เกิดขึ้นแก่ชายคนนั้นเพราะถูกขอกพึงเห็นการเกิดขึ้นแห่งทุกมีประการต่างๆ สำหรับวิญญาณมีความมีนามารูปเป็นปัจจัยโดยสามารถแห่งโทษทันสามสิบสองประการแล้วก็โรคเก้าสิบแปดชนิดนะฮะคือความคิดเรื่องโรคความรู้เรื่องโรคสมัยนั้นโอ้โหเยอะมากก็เรียกว่าโรคบางโรคเนี่ยปัจจุบันเขาเรียกอะไรไม่รู้ส่วนใหญ่มันก็เป็นภาษาฝรังแต่ว่า เราก็ไม่เคยได้เห็นยาอะไรมากมายขนาดนั้นนะแต่ว่าโรคเราลองนึกดูว่ามันมีตั้งเก้าสิบแปดชนิดก็แสดงว่าเยอะมากในร่างกายเราจึงเป็นรังของโรคเป็นโรคาณิทางคือเป็นรังของโร ค, เ, รโรคเหมือนการเกิดขึ้นแห่งทุกข์หนักแก่ชายคนนั้นเพราะว่ามีบาดแผลเป็นปัจจัยแทงแล้วก็ตรึงไว้ แล้วก็อีกสองร้อยเล่มก็แทงไอ้ส่วนแทงพลาดก็พลาดไปเลยเป็นแผลที่ต้องแทงใหม่แผลนั้นก็ไม่ได้หายไปเลยก็แผลเลยเลอะไปหมดเลยทีนี้ภิกษุใดเห็นวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณในทีน่นี้เน้นที่ไปส่วนที่วิญญาณนะครับเป็นเช่นกับโดยถูกหอกสามร้อยเล่มอย่างนั้นภิกษุนั้นจะคลายความไข้ในวิญญาณอาหารได้นี้เป็นอธิบายของ การเปรียบเทียบโดยการถูกแทงด้วยหอกสามร้อเล่มเติมเมื่อคลายความไข้ในอาหารอย่างนี้แล้วชื่อว่าย่อมกําหนดรู้อาหารทั้งสในฐานะที่เป็นของปฏิกรูนะนะแล้วก็เมื่อกําหนดรู้อาหารเหล่านั้นแล้ววัตถุที่จะกําหนดรู้ทั้งหมดก็เป็นนั่นกําหนดรู้แล้วเหมือนกันก็ตรงกะที่พระพุทธเจ้ารับสั่งแสดงไว้ว่า พิสูจนทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายกําหนดรู้กัลลิงการาหานแล้วราคาที่อาศัยเบญจากามคุณก็เป็นอันกําหนดรู้แล้วเมื่อกําหนดรู้ราคาที่อาศัยเบญจากามคุณแล้วจะไม่มีสังโยชน์อันเป็นเครื่องชักนําให้อริยะสาวกมาสู่โลกนี้รือหมายความว่า พูดไปจนถึงโน้นนะฮะเพราะว่ากามราคะนี่พระอนาคามีลาได้ก็นแน่นอนเป็นพระญาบุคคลแต่ว่ไม่มาสู่โลกนี้อีกแล้วก็คือบรรลุเป็นพระอนาคามีเพราะว่าพระโสดาบันกับพระสะกท า, าคาหมีนั้นอาจจะมาสู่โลกนี้ได้แต่ก็พระสกทาไอพระโสดาบันอย่างช้าที่สุดเนี่ยก็เจดชาติ ก็คงสลับไปสลับมาก็เรียกว่าเดวามนุษย์เสสุสังสารโตท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยเลยพบใหญ่ทั้งหลายหรือว่าในสวรรค์และในมนุษย์ทั้งหลายพวกนี้ไม่ตกนรกเท่านั้นเองแต่ว่ายังเกิดอีกแต่บางวงบางบางท่านก็เกิดอีกชาติเดียวบางท่านก็เกิดสองชาติสามชาติแล้วก็สี่ห้าหกเจ็ดนะอย่างมากไม่เกิดเจ็ดชาติพระสกกามีนั้นเกิดอีกชาติน แต่พระอนาคานั้นไม่มาสู่โลกนี้อีกแล้วคือตายปั๊บก็ไปบังเกิดเป็นพรหมชั้นสุทธาวาสคือที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์แล้วก็อยู่อย่างนั้นแหละชั่วการละนานจนนิพพานนิพพานในพ่วงเวลาที่แตกต่างกันทำความเพียรที่แตกต่างกันนะบางคนต้องทำความเพียรมากแล้วก็ นิพานได้ช้าคือบรรลุอรหัตเป็นผานช้าแต่ว่าอายุของท่านนับไม่ไหวเขาไม่รู้จะนับยังไงทีนี้ประการต่อไปก็ภิกษุเมื่อรู้ภัสสาหารแล้วเวทนาทั้งสามก็เป็นอันเธอทั้งหลายกำหนดรู้แล้วเมื่อกำหนดรู้เวทนาทั้งสามคือสุขทุกข์และเฉยเเราตาถาคตไม่มีสิ่งใดที่อริยส า, าวกพึงทามายิ่งขึ้นไปกว่านี้ หมายความว่าเสร็จกิจเสร็จภารกิจแล้วเป็นพระอราหันไปแล้วพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อกำหนดรู้มโนสันเจตนาหารแล้วตัณหาสามก็เป็นอันกำหนดรู้แล้วเมื่อกำหนดรู้ตัณหาสามเราตถาคตรกล่าวว่าไม่มีสิ่งใดที่อริยาสาวกพึงทําให้ยิ่งขึ้นไปกว่า น, นี้เพราะฉะนั้นตัณหากับเวทนาก็อันเดียวกันนะ่ยนะฮะเวทนาแปลว่า ความเสวยอารมณ์เพราะตาเห็นรูปเป็นต้นเนี่ยเป็นปัจจัยแล้วก็ลากมาจนถึงตัณหาหกนะตัณหาหกหกก็มันก็เชื่อมกับเวทนาเชื่อมกับเวทนาแล้วก็พอพอรู้พวกวิญญาณก็มีลักษณะเช่นเดียวกันว่านามารูปก็เป็นอันกำหนดรู้แล้วเมื่อกำหนดรู้นามารูปแล้วเราตาถาคตกล่าวว่าไม่มีสิ่งใดที่อริยส า, าวกพึงทาให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้แล้ว นี่ก็เป็นการอธิบายถึงภัยที่เกี่ยวกับอาหารภัยในการครองชีตภัยในการหมุนวนในสังสารวัฏภัยในนรกภัยในการถือกาเนิดถือกาเนิดในชาติพฤษ ต, ต่างต่อไปท่านฟังท่งาไหเสียงธรรมจากมาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, งอกงามไปบูรณนธรรม จงมีแดะท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี